สุดท้ายเป็นของคนอื่นหมดนะแค่เราไปใจเงินซื้อของมันก็เป็นของคนอื่นแล้วพอตายไปมันก็เป็นของคนอื่นอีกที่จริงมันไม่ใช่ของใครมันของกลางในโลกผลัดกันชมไปงั้นเองตำแหน่งก็ผลัดกันชมรู้สึกัหมมียศตำแหน่งก็ผลัดกันชมเป็นในพันถูกปลดก็ได้ไหเอาแน่ไม่ได้หรอกมีชื่อเสียงก็ถูกด่าได้เนี่ยสมบัติผลัดกันชม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 ไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สไปนั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งสมาธินี่แหละเป็นชาวพุทธไอ้นั่งก็ยังไกลกว่าการเป็นชาวพุทธอีกสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะีสิ่งแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธินั่นแหละเนี่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางคนถุกพเพราะเรานั่งสมาธิจิตใจสงบมันอยู่ชั่วคราว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 ปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยเป็นแร่ปัญญาจากการเห็นเนาะปัญญาจากการเห็นความจริงของกายปัญญาจากการเห็นความจริงของใจการเห็นความจริงกา ร, าารรนะการเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียบปัตสนะการเห็นพวกเราเคยได้ยินคาว่าวิปัสสนาไหมวิปัสสนาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาศา ส, สนาอื่นไม่มี ไม่มีใครค้นพบศาสตร์อันนี้เลยมีพระพุทธเจ้าคนพบขึ้นมาเพราะนถ้าเราไม่รู้จักมีปั ส, สนานะเรายังห่างไกลกับความเป็นชาวพุทธมากเลยเฉะั้นต้องเรียนให้รู้เรื่องนะว่ามีปั ส, สนากรรมฐานคืออะไรการทําสมาธิให้จิตสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานมิปั ส, สนากรรมฐานมาจากคาว่าวิคําว่าปัศนาปัสนาคือการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นตรงตามความเป็นจริง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 ว่มีแทบทุกคนหลวงพ่อยก2องมือเลยหือแก่มากแนละ้วแกกว่าทุกคนในห้องนี้แหละนะพวกเรายังไม่เกษียณนะตอนที่ตีนกาเกิดขึ้นอันแรกหรือเส้นเส้นผมงอกอะ่ะนึก อ, ออกไหมผมงอกเส้นแรกสร้างความเจ็บช้าให้เรามากใช่ไหมแล้วเส้นที่พันเนี่ยชักเฉยๆแล้วนะตีนกาอันแรกก็เจ็บมากนะเพราะอะไรมันแก่มันเป็นสัญญาณของความแก่เกิดขึ้นแล้วเวลาที่ตีนกาเกิดขึ้นหรือผมงอกเกิดขึ้นนะ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 แค่โบนัสอ่ะตอนนั้นอยู่ TOT สมัยที่รุ่งเรืองอ่ะใช้โบนัสยังไม่หมดเลยปีหนึ่งอ่ะโบนัสห้าเดือนอ่ะเงินะเดือนเยอะถามว่าอดอยากไหมไม่ได้อดอยากมีตําแหน่งไหมมีสี่สิบนะมีชื่อเสียงไหมมีะอะไรอะไรก็มีอยู่บ้านก็นอนห้องแอร์ไปไหนก็นั่งรถแอร์ทำงานก็อยู่ห้องแอร์อีกนะ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 หลวงพ่อฟันธงเลยนะคือมิจฉาสมาธินะส่วนใหญ่ฝึกไปแล้วโ ม, ม, มหะครอบขาดสติหรือไม่ก็เคลิ้มมีความสุขหรือไม่ก็เครียดมีโทสนะนั้นเป็นมิจฉาสมาธินักปฏิบัติเกือบร้อยลร้อยที่ทําสมาธิทําให้ถูกหรอกหนะลวงพ่อตั้งแต่เด็กอายุเจขวบมาหัด น, นั่งสมาธิเรียนกับท่านพ่อหลีช่วงแรกๆก็เป็นแต่มิจฉาสมาธนะินั่งแล้วก็ใจใจทีแรกก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2เงอย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 เนะนี่ยพอลืมตาขึ้นมานะอย่างนี้นะโมหะออกมาด้วยแล้วบอกเนี่ยนั่งสมาธิอย่านั่งสดี ก, กว่านะนั่งแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนั่งแล้วโมหะมากกว่าเก่าอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วเครียดนะอย่างดูท้องพองยุบหิวนะน้ําแล้วจะกินน้ำอีกชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงแก้วน้ําเลยนะใจเนี่นะมันทื่อๆนะ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 นะมีนั้นพวกโอ้ยผู้เชี่ยวชาญแตกฉานนะักเคยมานะแบบเทพนักเผยแผ่ด้วยซ้าไปขับรถมาฟังหลวงพ่อนะววันหลังนมาสารภาพนะว่าตอนจะกลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกจากวัดทางไหนเลยนะฟังแล้วงงไปหมดเลยแต่มีวิธีที่จะช่วยพวกเรานะไปฟังซีดีหรือดู y o u t ยูทูะที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ยปฟังเพลงฟังอะไรแล้วบอกว่าไม่เห็นจะบรรลุอะไรสักทีไปฟังที่หลวงพ่อเทพอนะ่ะ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 ตอนที่หัวเราไม่ได้รู้สึกว่าทั้งกายหัวเราะใช่ไอมถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะเพราะฉะนั้นขาดสตินะขาดสติปัฏฐานมีสติโลกโลกได้แต่ไม่มีสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานไม่บรรลุหรอกมรรผลอะไรสติปัฏฐานนั่นสติรู้กายรู้ใจของเราจะรู้สึกไปได้วยไปฟังซีดีนะแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีสาระแก่นสารในชีวิตเรา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 เวลามีอารมณ์แรงๆมากระทบนะใจมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยก็มีนะหลวงพ่อก็เคยเจอหลายๆคนเพราะเนี่ยพาวนา ม, มาแต่ชาติก่อนล้ใจมันเคยจะเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมีเร้าหนึ่งมาเล่าแลไปดูลอยกระทงแล้วเขาจุดฟลุอยู่ข้างๆท่านไปยืนท่านไม่รู้ว่ามีฟลุแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระไปดูฟลุนะอ่เป็นโยมนี่แหละพอเขาจุดฟลุเปรีร้ยงเนี่ยตกใจ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 ถ้าเราเหนื่อยมานะหายใจหายใจแล้ ว, ยลวอย่าเงี้ยท่านเกตไม่เวลาคนกลุ่มใจมันชอบถอนใจเพราะเวลาหายใจออกแล้วมันจะรีแล็กซ์พอใจมันผ่อนคลายแป๊บเดียวมก็มีแรงแล้วแล้วการที่เราหายใจมันเพิ่มออกซิเจนให้สมองยาสมองสดชื่นขอบพระคุณค่ะนรั ก, การหลวงพ่อครับอืมร่ามา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 ไม่วันไวับ น, นี่ก็ไปทำความสงบมาทำแค่ช่วเช้าๆนะให้พอใจจิตอตอนนี้ไม่ถูกดว อ, อกไหมจิตขณะนี้ไม่ถูกดวกเเออน้าไปรวบไปเกรงแล้วก็มัวใ่หมัมวมัวไปหมดให้เรารู้สบายหายใจใหาใจยังมีความสุขเออนั่นน่ะถอนใจไปอ้นนอามีหมดพอยู่ตัวนั้นเพรามันเกรงจริงก็จก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 อ่ะสักสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะก็มีกันบ้านให้ทาต่อใช่คะให้ทำต่อนะแล้วก็คอยรู้ทันเรื่องการประคองจิตยังเหลืออยู่ครับขอบคุณค่ะวนนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วอ่ะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะอ้าเหรอโกลับน้มัสมาร์หล่อมท่อนะคะสังเก่ไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกบ้างไหมตอนนี้เหมือนมันไม่อยู่กันในตัวใช่ อย่างนี้ถือว่ารู้ถูกรู้ถูกใช้ได้นะคือจะบอกว่าะจะมาส่งการิงตอนแรกตื่นเต้นได้พบหลวงพ่อเพราะว่าอากาศมันน้อยมากเธยไปที่วัดจาไม่ได้ละน่าจะสามครั้งก็ส่งการบ้านแล้วก็ทั้งนั้นก็เป็นมีที่เดีอีกเนื่องจากลุมส่งไปก็ได้ปฏิบัติแนวหลวงพ่อก็ได้ฟังซีดีก็ปฏิบัติจนระยะหลังก็มามาทางแนว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 ไอ้หลวงพ่อเทียนก็เป็นพราดังองหนึ่งก็เข้าไปเห็นหลวงพ่อเทียนกาลังสอนลูกศิษย์สอนคาราะท่านขยับสิบสี่จังหวะเราไปดูไอ้หลวงพ่อเทียนขยับนี่ใช้ได้แต่ไอ้พวกลูกศิษย์ที่ขยับนะถ้าไม่คิดเรื่องมือก็ไปคิดเรื่องอื่นเลย<ช>ไม่ก็ไปเพ่ง<ช>พวกนี้ขยับไงให้ตายไม่ได้เรื่องหรอกนะแล้วตูเห็นหลวงพ่อเทียนขยับเราใช้ได้หลวงพ่อ ก, ก็มาขยับบ้างนี่หลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตสิบสี่จังหวะเยอะเกินลาคาญนะลหลวงพ่อเหลือแค่นี้เองค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 ของโยมเวลาเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยใจไหลมันจะเคลิมมันจะเพลินไปนะอิน <In. S 2> เออมันจะอินถูกหลวงพ่อเกรงใจไม่กล้าใช้คํานั้นมันอิ น, นอันมันอินตัวเนี้ยตัวร้ายเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันไม่อินนะให้มันตื่นขึ้นมาคืออินอินนี่อินมากคือรู้สึกตัวในเรื่องความอินของตัวเองเพราะว่าแล้วลงไปลงไปนานด้วยกว่าจะถอนตัวมาได้นั่นนั่นนนัวนนแะคือปัญหา ไปแก้ตัวนี้ก่อนน ะ, <ฮ>ะตัวอื่นไม่สาคัญหรอกตราบใดที่ใจยังยินอยู่เนะี่ยไม่สามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ก็แค่นี้ก่อนเอาตัวนี้แหละตัวสาคัญโ อ, อ้ใจมต้องตื่นให้ได้ก่อนหนึง่งหลวงพ่อเทียนก็สอนนี่ไหมค<ช>ิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวไอ้นี่หนูลากเราไปตลอดเลยน<ฮ>ะเราต้องหลุดออกมาให้รู้สึกรู้สึกแล้วมันไปนานนานไปให้ให้กันบ้านอยากคุยเยอะรู้สึกตัวบ่อยค่ะ กรรมน้ำสการผ้าจา์ค่ะปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่นะฮะคือสวนมนก่อรแล้วก็ถึงจะนั่งสมาธิแต่มีความสุขว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันหลงตลอดเดยไม่ทราบว่าที่ทำอยู่บางทีเราใช้อารมณ์กรรมฐานที่ละเอียดเกินไปทำให้หลงง่ายแล้วก็ใช้อารมณ์ที่แรงขึ้น อย่างบางคนดูจิตเอาอย่างเงี้ยแล้วดูไม่ทันนก็มารู้สึกที่ร่างกายบางคนรู้ร่างกายก็รู้ลมหายใจแค่นี้ก็พอบางคนรู้ลมหายใจก็เลยเหยียดเกินไปไม่พออีกแล้วต้องหายใจแล้วพุโทโธด้วยเนื้อหายใจแล้วพุโทโธก็ยังไม่พอแล้วต้องมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้า ใ, ใช้อารมณ์ที่หยาบหยาบมันจะทําให้ไม่หลงยาวคือเคยมีบางครั้งเหมือนพอเราพุโทโธมากๆเหมือนเราเริ่มเริ่มเริ่มลาคาญ เลยไม่ทราบว่าที่สําคัญให้รู้ว่าราคาญจริงๆเป็นพวกโทสะจริตนะเพราะงั้น่รู้ทันใจของเราไปเลยใจหุนหงิดเรารู้ใจหุนหงิดเรารู้รู้บ่อย ๆ, ๆดูไปอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะตอนนี้พอตาเห็นใจข้องุนหงิด ห, หูได้ยินเสียงใจข้องหุนหงิดใจคิดใจข้องุนหงิดดูอย่างนี้แหละแค่นี้แหละก็พ อ, พอแล้วตอมาฐานสําหรับคนคนหนึ่งนิดเดียวไม่เยอะหรอกแล้วที่เราที่ปฏิบัติอยู่ทําถูกต้องไหมครถูกแต่ทําไปโมโหไปอ่ะ <ś les> มันไม่ถูกตรงที่มันโมโหนั่นแหละกาพันธ์นักศึการครับหลวงพ่อครับอืก็เรียนกับหลวงพ่อมาตัาง้งแต่ปีห้าหนึ่งใช้ได้แล้วดีครับผม ด, ดูออกไหมว่าขันมันเยกได้ดูออกครับ<ด>ก็พยายามพยายามแก้ปัญหาจากซีดีที่หลวงพ่อมันบรรยายก็ก็จะเจอทุก ค, คําตอบครับอครับผมก็ปัจจุบันผลก็คือเห็นกายเห็นใจมันมันทํางานอัตโนมัติเองใช่ครับผม แต่ก็รู้สึกากาลังมันมันอ่อนเพราะไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบต้องทํานะคนะารวาสเนี่ยไม่ใช่งงกว่าพระหรอกแต่คาราวาสมีจุดอ่อนสําคัญก็คือความต่อเนื่องไม่พออห น, นึ่งกับสมาธิไม่พอย อ, อันหนึง่งยันการทําในรูปแบบเนี่ยเพิ่มพลังของสมาธินะแล้วก็สนใจต่อเนื่องมีเวลาห้านาทีสิบนาทีเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยเลยสมวติเราต้องรับประชาชนมาติดต่อเรานี่ช่วงนี้ยังไม่มีคนมาอนะไรย่างเงี้ย ห น, นาทีสองนาทีเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจที่คุณฝืนใช้ได้นะไปทำอีกขันมันแยกได้แล้วแยกได้ดีด้วยแยกเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อขันมันแยกได้แล้วต่อไปก็จะเห็นขันมันทํางานของขันเองรู้สึกไหมใจมันก็โลบโกรธ ล, ลงได้เองสุขทุกข์ได้เองรู้สึกไหม ร, รู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เาราสึกครับนั่นแหละปัญญาละ เรารู้สึกมากนะแล้วบุญบา ร, รมีเราพอศีล ส, สมาธิปัญญาพออริยามรรคถึงจะเกิดะเรารู้สึกรู้สึกอย่างเดียวแล้ส่วนวิเศษเราไม่ดีนะอริยามรรคก็ไม่เกิดงั้นศีลสมาธิปัญญาให้มันพอดีสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยอริยามรรคก็เกิดไม่ยากหรอกสิลข้อสี่ยากครับก็ยากอยู่ครับงั <laughs> ้นไม่มีอะไรนะครับใช้ได้ดีแล้วว่ามากราบเรียนวระอาจานะคะ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 ก็รู้สึกว่ามันระบบภายในไม่ได้กับอารมณ์มันมันมันเบาขึ้นนะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหมมันมันเหมือนกับพยายามบังคับท่านเอออย่าบังคั บ, บไม่เอานะปล่อยไม่ดีก็ได้ไม่ให้ผิดศีลห้าพอแล้วนะไม่งั้นจะผิดธรรมชาติเมื่อผิดธรรมชาติว่าเราบังคับมากไปมันผิดธรรมดา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 พอมันเกิดดับมันมาเร็วมากจึริงๆนะแบบตรงนั้นอนะให้<ม>รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมตัวนั้นอนะคือตัวจิตฟุ้งซ่านเรามองภาพรวมอย่าไปดูทีละตัวดูทีละ ต, ตัวไม่รู้เรื่องเลยดูไม่ทันมองภาพรวมแล้วขนาเนี้ยจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะหายฟุ้งซ่านเองเลยสมาธิก็จะเกิดทันทีเลยเหมือนกับบางบางขนาดเนี้ยเหมือนกับจิตจิตจิตดวงนี้แวบหนึ่งมันมันไปเห็น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 แต่ว่าเราจะพัฒนาของเราไปด้วยตัวของเราเองนะแต่ละคนมีทางของตัวเองห้ามเรียนแบบกันเรียนแบบไม่ได้หรอกไปทากันบ้านด้วยการไปฟังซีดีนะเราเจอกันข่าวหน้านี่จะมาหาหลวงพ่อแล้วบอขอบคุณหลวงพ่อไม่ถามแล้วละเข้าใจแล้วละอ่ะครับกาวคำทั้งวันครับข้าพเจ้าทั้งหลาย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 ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปะทิตังตุมหังจิปเปเมวาสมิตจตุสัพเพปูเรนตุสังกะปาฉันโธปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตปวัิวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทาปจายโนะจตาโรธรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะ <c oughs> ต้องฝึกนะ